เห็นแววตาผู้แพ้อีกไม่กี่เดือนเขาจะมีอำนาจเหนือฉันและเป็นผู้ตัดสินใจกรองไอเดียของฉันพิจารณาผลงานของฉันว่าเข้าตากว่าคนอื่นไหมความไม่รู้ส่งให้มาเกิดมาหางานทาแล้วก็มามีศัตรูมีเรื่องมีราวสารพัดไม่บอกสตรสำเร็จว่าจะควรจัดการกับชีวิต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 เลิคิดชั่วๆกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียได้เรื่องเศร้าในชีวิตคนเรามีอยู่เรื่องเดียวคือมีความพร้อมสำเร็จรูปในการไหลลงนรกทางความคิดเรื่องคิดดีๆให้ขึ้นสูงนั้นยากเหลือเกินแต่เรื่องคิดแย่ๆให้ลงต่ำเนี่ยเหมือนเป็นอัตโนมัติกันเสียจริงเป็นอันว่าช่วงนี้สิ่งที่ฉันได้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 จะเห็นทุกเป็นอนิจจังได้ไม่อย่างนั้นก็ถูกทุกข์เขมือบหมดตัวไปแทน